เปี้ยได้หนิดว่ะว่ะเออแล้วก็หลวงพ่อเลยก็เชิบกับพระเห็นไหมเอ็มพีสามหลวงพ่อคูดในวันนั้นในคราวกรอนั่นน่ะมันเข้าตำลานี้พอดีเลยเห็นไหเออคล้ายๆว่าพ่อแม่ยากจนไปหาลูกชายลูกสาวแล้วลูกชายลูกสาวเมินเฉยต่อหน้ามือเพื่อนกลัวว่าตัวเองจะเป็นเอ่อเป็นลูกคนทุกคนจนเออดูถูกพ่อแม่แต่พ่อแม่เห็น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 บอกกำชับพอเนะี่ยพอพอพออถ้าผมทำยังไงทำตามที่ผมทานะเอออย่าไปทำออกอย่างที่นั่นนะอย่าไปแสดงออกเดี๋ยวก็จะว่าบ้านนอกนะเออทางพ่อก็เออผู้พ่อเลยก็กลัวจะขายหน้ า, านลูกใช่ไหมแต่จากนั้นผู้พ่อเลยก็เลยพาไปทานอาหารร้านปาตังกโกดื่มโอวันตินเหมือนกัน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 ขอนึกไปนึกขอนั่นก๋วยเตี๋ยวไปนึกไปนึกมาคือขำพ่อเหมืนนอนกัเนีที่ที่พ่อทําอย่างนั้นเอก็เลยแบบหัวเราะแบบไ ม, ไม่ได้ตั้งใจนะพ่อพ่อหัวเจาพัดไค้แกห่หัวหัวเราะไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมพ่าด้เส้นก๋วยเตี๋ยวทะลักออกทางจมูกของพ่อเหมนกันเถอะเหมือนกับเป็นน้ํามูกเลยพอออกทางจมูกผู้พ่พอผู้พ่กพอก็มองเห็นเลย เห็นคือเส้นกข้าเตี๋ออกทางจมูกลูกชายใช่ไหมผู้พ่อก็เลยบวยขึ้นมาว่าลูกทําอะไรลูกพากินขี้อ้อยพ่อก็กินได้แต่ก็ทนเต็มทนแม่พ่อลูกเตะกระป๋องพ่อก็เตะได้แต่ว่าลูกเอาเส้นกข้ยเตี๋ออกทางจมูกพ่อทําด้วยไม่ได้แล้วลูกเลยผู้พ่อผู้พ่อยอมแพ้ว่าือนกันยอมแพ้ที่ลูกชายเอา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 ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าในท่านบอกว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อทํากิจธุระของท่านดํำรงวงศุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือเป็นหน้าที่ของบทุทที่ดาเนะีนี่แหละอันนี้ก็คือขอฝากไว้กับคณะสัยตยาธิยม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 แต่เขาเขียนใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาไปตรงที่น้องตรงนั้นเน่เนื้อที่ประมาณ180ไร่อยู่นะตรงนั้นะ่ะมันกว้างก็จะสร้างจะทำา38เมตรอยู่ใครเขาบอกแผนดินมันจะบีบเจดีย์จะทำให้ JD เจดีย์เล็กและเนาะเล็กตะตำด้วยเทาก็เลยขยายขึ้นไปอีกเป็นเจดีย์สูง50เมตรแต่ว่าเดี๋ยวนี้การออกแบบและการเขียนรูปพรนะเจดีย์นประมาณ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 อันนั้เรื่องเรื่องทีหลังแต่ถึงยังไงต้องให้ให้พ่อขึ้นก่อนคือให้องค์หลวงตาขึ้นก่อนคือขึ้นวัดป่าบ้านตาดก่อนของเราค่อยๆทำทีหลังเว้นเสียแต่วัดป่าบ้านตาดไม่ขึ้นเราอย่างค่อยว่ากันแต่วัดป่าบ้านตาดจะขึ้นก็ควรจะให้บ้านพ่อขึ้นก่อนแต่ของหลวงปู่เรียล่ะหลวงปู่เรียนะท่านอายุมากแล้วเราไม่ควรจะนั้นท่านหลวงปู่เรีท่านขึ้น